เอ่อตอนก่อนเป็นสงครามระหว่างที่ปลุกขึ้นอินโดจีนเป็นสงครามอินโดจีนก่อนจะพูดเรื่องอื่นก็ต้องขออภัยบรรดาท่านผู้บรรณสารที่ที่แล้วมา และแม่ทัพที่ 2000 เอกหลวงเสรี 3000 เอกหลวงเกลี้ยงศักดิพิชเป็นอันว่าเมื่อกี้นี้ กองทัพไทยก็ยกไปทางเชียงตง 3 กองพลคือ 1 ทางกรุงเทพฯกองกงพล แล้วก็กงพงษ์ที่ 3 ที่ชื่อที่ทนโลกใช่หรือไม่ใช่ไอ้ชื่อกงพงษ์อาจจะไม่ แต่เครื่องที่น่าคิดอีกอย่างนึงว่าเวลานั้น <c oughs> สำหรับมีความจริงที่มีความสําคัญคือด้านอาหารบางทีญาติโยม ถ้าส่งไม่ทันก็ต้องสูกินที่ใครที่ไหนก็ไม่ได้ดีเป็นดีก็ต้องลอกกล้วยป่าผักป่ากันนี่ความลําบากยาก และชีวิตของทหารก็คือชีวิตคนไทยทุกคนชีวิตมนุษย์เหมือนกันแล้วก็คิดถึงความเป็นจริงว่าน่าจะสงเคราะห์ทหารทหารคือลูกหลานของเราเพื่อนนามว่าทิ้งเรื่องนี้ไว้เรื่องการผลไม่เอากันในเมื่อญี่ปุ่นเค้าตีทาง ไอ้ก็ตีด้านเชียงตุงมันมีเขตนิดเดียว พมาดใช้กำบินไปทั้งกะไวก็คือหนัดหนักหูดับ ฟังวิทยุจากเขาก็ฟังข่าวว่าญี่ปุ่นรุกพม่าเข้าไปรุกมาเลเซียอินโดนีเซียมาเลเซียเข้าไปตียุทธรัตน์นั้นนับนี้ประเดี๋ยวก็จบเกมตีมาเลเซียได้ไปติดอยู่แค่สิงคโปร์ยังเข้าไม่ได้ญี่ปุ่นตีดันพม่าทะลุไปถึงอิมพัญของอินเดียก็ ทีนี้ก็เราก็พูดถึงความเก่งของญี่ปุ่นต่อมาก็มาพูดถึงความเก่งของฝรั่ง มาทางอากาศใช้เครื่องบิน B25 4 ก็ปรากฏว่ามีไมค์อีกหลายเครื่องคนนั้นคนเดียวกลับไปตอนกลางวันเครื่องเดียวหลายหลาย ตามกุฏิพระตามบ้านตำรินก็ต้องพรางไฟแสนจะวางไว้ภาย กินปลปู่มาเป็นร่มกลางไฟสว่างเป็นแสน เครื่องเป็นญี่ปุ่นไม่มีเวลากลางคืนนั่งคุยอยู่ขึ้นสู้เลย <c oughs> ตัวนักวิ่งจะเห็นตัวพวกเราจะยิงถูกก็ค่อยหลบเข้าที่ที่ แต่มาทราบตอนหลังเขาบอกเป็นเครื่องของไทยไม่ใช่เครื่องญี่ปุ่นเขาลือกันจริงหรือไม่จริงกันไปสอบเขาบอกว่า เวลาบินเข้าใกล้ 행การยิงอยู่หลายพรรคจริงๆๆปากโหจริงเอากันเล่า ในเมื่อข้างบิณฑบาตก็มาจะเป็นพระจะเป็นคนก็ตามก็เป็นพระก็ไหว้ก็ตามต่างคนต่างก็โกรธตายเหมือนกันหมดละ <c oughs> พอเครื่องเป็นมาแล้วต้องโดดอยู่วัดปยุโรงสาวาสเป็นในวัดเดียวกันวัดอื่นกับผ้าชุด 2 ชุดเตรียม มรรคเสด็จซึ่งบ่บอกบอกว่าบอกภัยทางอากาศเกิดขึ้นนั้นเจริญเกิดขึ้นก็ ไม่ยักเจ็บคว้ากระเป๋าโดดไปใหม่วิ่งไป <c oughs> ญาติโยมบ้างบ้างบางบ้างเป็นต้นหลบแต่ญาติโยมฝั่งทนก็หนีไปครองโคชยพริกเอาบ้านนี่ เป็นแล้วว่าความตายนี้ไม่มีนิมิตภูมิหมายไม่เลือกสถานที่คนกลัวตาย เรื่องธรรมะปล่อยไปเอาเรื่องทุกข์ของโลกติดต่อมาข้าศึกโจมตีกลาง แต่เอาจริงเอาจังขึ้นมาปรากฏเข้าสึกว่าจริงไม่มีใครขึ้นต่อมาในถ้ามีบัญชีให้เข้าศาลจะกินได้เดือน ที่เคยว่านั้นพ่อค้าขายไม่ได้มีความผิดไอ้เรื่องนี้ก็เป็น ใครก็รู้ไม่ได้กรุงความ มีคนหนึ่งบอกว่าเวลาผมเครื่องที่เอามานี่เป็นชุดที่ดีที่สุดที่ผมมีอยู่ครับที่ดีที่สุดก็มีขาดมีเย็บมีปะหลายตอน นี่เป็นความลําบากของสมัยสงคราม 2 อยู่ๆระเบิดของข้าศึกคืนหนึ่ง แต่เราก็ดีใจกลับเข้าสถานที่หนีไปแล้วสัญญาณบอกหมดภัยภัยอาการเกิดขึ้นก็ขับที่ตอนพอ ตอนเช้าทราบตอนเช้าทราบว่าสะพานพุทธทรุดไปนิด พระมีประทูเป็นที่ รุกกนโหงข้าวใจฉันเพราะบินาบาตไม่พอกลิ่งปรากฏมีสัญญาณบอก <c oughs> อาจจะมีโทษเมื่อ <c oughs> ในญี่ปุ่นออกกําลังลงข้าสึกกตีย์ลุกขมาในขณะที่สหประชาชาติร่วมตัวกันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอ่ออเมริกันเข้าร่วมด้วยตอนนี้อาตมายังไม่พูดถึงฮาวายในเมื่ออเมริกันเข้าร่วมด้วยกําลังก็มากขึ้นอังกฤษตอนนั้น <c oughs> <c oughs> ก็ปรากฏได้พลเดินโกรนนํากําลังทหารไปโรงที่อังกฤษยกข้ามไปแต่ว่าในที่สุดอเมริกาเข้าร่วมสงครามพวกนี้ก็ ที่ <Okay. S 1> ตอนนี้มาเรื่องของคนไทยคนไทยเนี่ยเมื่อฆ่าศึกษณ์เรื่องรบกันก็กลับพันก็กลับมาที่อยู่บางคนน่มๆซ้าๆเวลาจะไปพอมกลับมาอ้วนก็เยอะแยะอ้วนหมีอิมี ต่อไปก็เป็น วัดทองอาตมาจําไม่ได้ว่าเป็นวัดทองณประคุณ 2 วัดนี้เป็นที่เผาของคนตาย อีกทีก็มีเสียงเสด็จนำคุณปู่มานำคนตายไปไว้ วันนั้นมีมีเครื่องบินฆ่าศิษย์มาตอนสายประมาณเวลาฉันข้าวเช้าเสร็จแล้วเวลาสายๆเกือบจะไปโรงเรียนอยู่แล้วกําลังเรียนบาลีเวลานั้นปรากฏว่ามีสัญญาณบอก ไปออกที่หน้าพระโบสถ์มีคนเต็ม ก็มีหลุมอยู่คนก็ไปลงหลุมหลุมระเบิดกันมากเพราะที่นั่นใกล้สะพานพุทธก็บินกลางลานวัดต่อมาเห็นก็เป็นคลาสสิก 4 เครื่องผ่านไป สรรพต 4 คนมายืนอยู่ทางกรอกข้างด้านซ้ายมือ โปรระเบิดไหลลงมาประมาณ 7 ลูกอันนี้ไม่ยืนยันนะเท่าไหร่ โปรแกรมหมอกราบเสียงระเบิดดังขึ้นเสียงระเบิดก็ใกล้ไม่ดังปังมาดังเปรี้ยงมันจะใกล้หูเกินไปพอดังเปรี้ยงลืมตาขึ้นมาเห็น แล้วก็อาคารข้างๆก็ด้านหน้าพังไปเป็นบ้านหลังแต่พอลุกขึ้นมาแล้วปรากฏสารวัตรทหารบุกขึ้นชายคาของบ้านนั้นที่หล่นที่ล้มลงมาทับหมวกเหล็กของเธอต้องช่วยก็ยกขึ้นก็เดินทางหน้าวัดเห็นคนเลือด ก็มีสุภาพสตรีคนหนึ่งเธอกำลังท้องแก่ถูกระเบิด <c oughs> พระโกสลาภังศาลาหน้าวัดพังศาลาใหญ่พังไปครึ่งหลังพระวิหารก็ ตายหมด 2 คนระหว่างที่กําลังบินเพียงระเบิดคือบินที่ระเบิดก็มี 2 คน 2 เห็นขึ้นที่ว่าของชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงขึ้นเชื่อว่าความหลายเวลาเสร็จๆจะ และเมื่อมีความเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีความเสื่อมของร่างกายคือแก่ตัวไปทุกวันมีการป่วยไข้ไม่สบายเป็นปกติมีความหิวมีความกระหายมีความเดือดร้อนเป็นธรรมดาในที่สุดก็มีความตายในที่สุดแต่ว่าความตายเข้ามาถึงเรา ถ้ายังไม่ไปของนิพพานเขาก้าวไปชีวิตไม่ถึงที่